เล่านิทานมีประโยชน์ไหมเนี่ยมีนะม่ใช่เล่านิทานแล้วอฮะจำแม่นดีนะถ้าพูดธรรมะอย่างเดียวนี่มันเหมือนไม่ได้ผูกร้อยด้วยเรื่องราวคราวนี้เลยรู้แล้วว่าถ้าแยกธาตุเนี่ยนะแยกธาตุต้องแยกธาตุอย่างนี้นะธาตุหนะแยกธาตุสี่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไม่เข้าถึงจิตเรื่องไมเห็นแต่กายธาตุสี่เนี่ยเห็นแต่กายไม่ถึงจิตถ้าแยกธาตุหเนี่ยถึงจิต เพราะธาตุที่6คือวิญญาณธาตุพอถึงวิญญาณธาตุเนี่ยวิญญาณออกไปทางไหนอายตนะ6อายตนะหออกไปแล้วเนี่ยมันมีทุกมีสุ ข, สขแล้วก็มีเฉยเฉยกรนี้เห็นเวทนาในสุขในทุกเฉเฉยที่เห็นไปเนี่ยเกิดเกิดดับๆเกิดเกิดดับดับถ้าทําดูจิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เนี่ยก็จะไปเข้าอารูปฌานในอรูปฌานที่เข้านั้นยังเป็นภพนะ อย่งปรุงแต่งอยู่นะอย่านอนใจนะมีหนังสือหลวงตามาแจกล่าสุดเนี่อยน อ, นใใอย่านอนใจในชีวิตอย่านอนใจในชีวิตแค่ชื่อหนังสือก็คุ้มล้วอย่านิ่งนอนใจในในชีวิตชีวิตมีเวลาจากัดอย่าให้เวลาผ่านไปกับเรื่องไร้สาระ น, านะนะ มีบุญแล้วแบ่งบุญให้กับหมู่ญาติของเราให้กับเทวดาทั้งหลายเทวดาเนี่ยจะชอบใจเวลามีการฟังธรรมมีการแสดงธรรมถือว่าเป็นสถานที่ที่มีบุญมากพอมีบุญแล้วขอพรกับพระพุทธเจ้าไว้ว่าให้ภิกษุทั้งหลายเวลาแสดงธรรมจงบอกแก สาธุชนทั้งหลายว่าจงแบ่งบุญนั้นให้เทวดาบ้างเทวดามีความต้องการบุญที่เป็นบุญสัมพันธญๆอย่างนี้เราได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมมีบุญในการแสดงธรรมมีบุญในการฟังธรรมมีบุญในการให้ทานมีบุญในการรักษาศีลก็ไม่เท่าบุญที่มีการฟังธรรมมีการประพฤติปฏิบัติเพราะว่า บุญนี้จะเป็นบุญที่นำไปสู่ความพ้นทุกเป็นบุญที่ปรับให้เกิดความเห็นถูกมีสัมมาทิฏฐิเป็นบุญใหญ่เทวดาต้องการบุญอย่างนี้ได้บุญแล้วแบ่งบุญให้กับเทวดาเทวดาทั้งหลายเห็นมนุษย์ทั้งหลายแบ่งบุญแล้วเทวดาก็จะตอบแทนด้วยการปกปักรักษ า, าศาสนาทั้งหลายก็จะสืบเนื่องต่อไปเพราะ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างเอื้ออาศัยซึ่งกันและกันไม่ดูหมิน่นดูแคลนไม่ลืมกันเรามีบุญก็แบ่งอุทิศให้กับหมู่ญาติให้กับเทวดาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายน้อมบูชาแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพอเป ร, รมราชินีนา ตั้งอธิษฐานให้บุญกุศลนี้แผ่ภัยสารไปในสัตว์โลกทั้งสิน้นสัตว์ใดที่มีทุกข์อยู่ก็จงรับรู้ว่าเราในที่นี้อุทิศบุญกุศลให้กับท่านขอให้ท่านจงมาอนุโมทนายินดีในบุญทั้งหลายที่เราได้ทำแล้วอุทิศให้ให้ท่านมีความดีใจปลื้มใจเหมือนท่านได้ทำเองถ้ามีทุกข์ขอให้ปนทุกข์ถ้ามีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป เราทั้งหลายทุกคนในที่นี้ก็จะตั้งใจอธิษฐานที่จะศึกษาถ้อยคําของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจในหลักการและนำมาประพฤติปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนตั้งใจอุอทิศยาถาวริวาปุราบริปุเรนติสาครังวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานติทานุทิฏในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจจิตังปฏิตังตุมหังก่อหิจพจน์ที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเปเมวัสมิจฉุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเ พ, พปเรนตุสังกปา ขอควานดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีจโตติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพะวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สทาสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ